พู้ทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะรายการสันสนีสนทนาซึ่งเป็นรายการที่นำคำสอนของพระาศาสดาที่ได้ตรัสไว้เป็นเวลากว่า 2,600 ปีแล้วแต่ก็ยังคงอยู่ที่จะทำให้สรรพสัตว์แบบพวกเราทั้งหลายนี้ได้ใช้เป็นที่พึ่งแล้วก็พึ่งได้อย่างดีที่สุดในโลกเลยด้วยทำให้เราสามารถพึ่งตัวเองได้าหากว่า เรารู้จักทรรมที่ตรงได้ตรัสเอาไว้ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว fm 1น6นะคะแล้วมีพระมหาภัยบูร์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีท่านจะมาเป็นผู้ที่บอกสอนเราเกี่ยวกับคำสอนของพระศาสดาพิเศษสุดที่รายการนี้จัดให้ท่านทั้งหลายก็คือให้ท่านได้มีโอกาสทำกุศลซึ่งถือว่าเป็นกุศลสูงสุดแล้วเป็นการปฏิบัติบูบชานะคะ ด้วยการทำสมาธิกันก่อนที่ท่านจะเข้าสู่การสนทนาต่อไปแต่ความจริงก็จะปนอยู่ในเนื้อนั้นอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ตอนต้นของรายการในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้หลังจากที่ดิฉันได้นำท่านทั้งหลายไปพบกับพระสงฆ์คือพระมหาภัยบูร์อภิปุลโนกันก็ได้เวลาที่จะพบกับท่านแล้วละคะกล่าวในนัสกสการนะคะท่านคะเยบานเมื่อมาพบกันในเวลาเช้า นะตั้งแต่ตอนเปิดรายการเราก็มาตั้งสติกันไวนะ้วิธีการที่เราจะตั้งสติขึ้นได้นั้นใช้ส่วนต่างๆของร่างกายเรานี่แหละนะครูเจ้าให้ใช้กายเป็นฐานที่ตั้งของสตินะกายที่เราพูดถึงนี้คือลมหายใจทีนี้ลมหายใจมันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอยู่แล้วนะเอาจุดไหนกันแน่ที่เราจะมาระลึกถึงลมหายใจเพราะว่ามันไม่ได้มีเป็นก้อนเป็นตัวอะไรให้เราจับนะเราก็เอาจุดที่เราสามารถรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจนี่แหละ เหมือนผ่านเข้าออกอยู่ในโพรงจมูกเรารับรู้ถึงสัมผัสนี้ได้ที่ไหนเอาจุดนั้นเป็นที่ตั้งเอาจุดนั้นให้จิตของเรามารูลึกถึงแต่เพราะนั้นเราไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมแต่ให้ใหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาเราใช้จุดที่เรารับรู้ถึงสัมผัสนี้ในการตั้งจิตของเราไว้ที่นี่แต่ยังรับรู้ไม่ได้ก็ลองหายใจแรงๆสัก2อสครัง้งแต่เมื่อหายใจแรงๆสัก2 3ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้ก็ให้ใหายใจอย่างเป็นธรรมดา โดยไม่ต้องบังคับลมนไม่ต้องแต่งให้สั้นหรือให้ยาวแต่ให้เป็นอย่างเป็นธรรมชาติเพราเราตั้งสติเอาไว้ที่นี่นี่แเราเรียกว่าอานาปานาสติแตะเป็นวิธีที่พระองค์เองตอนยังเป็นโพธิสัตว์ก็ใชนะ้หลังจากบรรลุปเป็นสมมาสมุททุเช่าแล้วก็อยู่โดยมากก็ใช้วิธีเครื่องอยู่แบบนี้เหมือนกันแต่เป็นเครื่องอยู่ที่พระอรารันลหลายรูปก็ใช้ในการที่จะดำรงอยู่ดำรงอยู่รู้อย่างนี้แล้วจะเกิดปัญญา ปัญญาที่จะเกิดขึ้นนั้นคือเพื่อที่จะเห็นความที่จิตนี้เป็นของหลอกหลวงได้เคยอธิบายเรื่องนี้ไว้กับภิกษุที่ชื่อมัคันดิยะเป็นปริพาชกผู้หนึ่งชื่อว่ามักคันดิยะได้ตรัสเรื่องนี้ไว้อย่างนี้ว่ามัคันดิยะเปรียบเหมือนบุรุษผู้ตามืดบอ ด, อดมาแต่กำเนิดเขาจะมองเห็นรูปทั้งหลายที่มีสีดำหรือขาวเขียวหรือเหลือง แดงหรือขาบก็หาหม่จะได้เห็นที่อันเสมอหรือไม่เสมอก็หาหม่จะได้เห็นดวงดาวหรือดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็หาหม่เขาได้ฟังคำบอกเล่าจากบุรุษผู้มีตาดีว่าท่านผู้เริญผ้าขาวเนื้อดีนั้นเป็นของงดงามปราศจากมลทินเป็นผ้าสะอาดดังนี้ เขาก็เที่ยวสแสวงหาผ้าขาวนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งลวงเขาด้วยผ้าเนื้อเลวเพื่อนกำมาว่านี้แหละท่านเป็นผ้าขาวเนื้อดีเป็นของงดงามปราศจากบนทินเป็นผ้าสะอาดดังนี้เขาก็รับผ้านั้นแล้วและหมผ้านั้นสมัยต่อมามิรอม า, าดญาติสายลุยของเขาก็เชิญแพทย์ผ่าตัด ผู้ชำนาญงานมารักษาแพทย์พึงประกอบอยาถ่ายโทษในเบื้องบนยาถ่ายโทษในเบื้องต่ำยาหยอดอยาหยอดให้กัดและยานักเพราะอาศัยยานั่นเองเขากลับมีจักสุที่ดีละความรักใกล้พอใจในผ้าเนื้อเลวเพื่อนขมเหลวเสียได้พร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งจักสุที่ดีเขาจะพึงเป็นอามิด คือเป็นฆ่าศึกหมายมั่นต่อบุรุษผู้หลวงเก่านั้นหรือถึงกับเข้าใจเลยไปว่าควรจะปรงชีวิตมันจะด้วยความแค้นเพราะว่าบุรุษพี่ผู้นี้คดโกงล่อลวงปรามเทียมปลิ้นปลอกเราด้วยผ้าเนื้อเลวเพื่อนขมเมาว่าเป็นผ้าเนื้อดีมนมนานนักแล้วมากันติยะอุปมาณีฉันใดอุปมาีก็้ฉันนั้น เราแสดงธรรมแก่ท่านว่าเช่นนี้เช่นนี้เป็นความไม่มีโรคเช่นนี้เป็นนิพพานท่านจะบึงรู้จักความไม่มีโรคจะบึงเห็นนิพพานได้ก็แต่เมื่อท่านละความเพลิดเพลินและความกำหนัดในอุปาทานขันทั้งห้าเสียได้พร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งธรรมจักรสู่ของดันและความรู้สึกจะบึงเกิดขึ้นแก่ท่านว่า ท่านผู้ช่ยเหเน่อยนานจริงหนอะที่เราถูกจิตนี้คดโกงล่อลวงปลามเตี่ยมปลิ้นปล อ, อกจึงเราเมื่อจะยึดถือก็ยึดถือเอาแล้วซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารและซึ่งวิญญาณนั่นเองเพราะความยึดถือเป็นต้นเหตุพบจึงมีแก่เราเพราะพบเป็นต้นเหตุการเกิดจึงมีแก่เรา เพราะการเกิดเป็นต้นเหตุความแก่ความตายความโศกความร่รํารลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นพร้อมหน้าความเกิดขึ้นบร้อมแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เมื่อเราตั้งสติเอาไว้อย่างนี้นี่คือปัญญาที่เราจะเห็นได้เริญบอลสาธุค่ะ อันนี้คือเรื่องของการที่เราถูกจิตของเราหลอกอยูนะ่แต่ที่เราไม่เห็นเพราะเราถูกตัณหาและอวิชชาเนี่ยมันบังเอาไว้ดรบา น, ะ น, นค่ะแล้วถ้าหากว่าเราไม่ถูกบังเอาไว้เราจะเห็นอะไรกะท่านคะเราจะเห็นว่าการตั้งห้านีนะ้ไม่ใช่ตัวตนนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นแต่เพราะว่าเราถูกตัณหามันล็อกเอาไวนะ้ถูกรัดรึงด้วยตัณานี่ประมาณที่คุเลาใช่นะ ตันหานี่มันรัดรึงเป็นเครือข่ายนะรัดรึงยังไม่พอถูกบังด้วยไม่รู้ว่าปูกตรงไหนเงื่อนอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นแล้วถูกบังด้วยอวิชชาทนะาให้เราไม่รู้ว่าเรากําลังไปยึดตันหานะแล้วก็ทําให้เป็นความทุกข์เกิดขึ้นมาเหมือนเหมือนในอุปมาที่นี่แหละคือเหมือนคนตาบอดแล้วก็ถูกหลอกด้วยผ้าเนื้อเลวว่าเป็นผ้าดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเท่ากับว่าเราเร า, เราท่า น, ท, นทุกวันนี้ ที่นั่งกันอยู่ฟังรายการอยู่ด่ารายการอยู่นะคะก็ถ้ายังยึดถืออะไรเป็นตัวเป็นตนแปล ว, ว่ายังมีตัณหายังมีอวิชชายอยู่ใช่เออเราก็จะไม่ไม่สามารถที่จะเห็นความจริงได้เหมือนกับคนที่ยังตามบอดนั่นเองค่ะนะความจริงที่จะเห็นเป็นอย่างไรท่านคะความจริงที่จะเห็นก็คือสิ่งว่าที่เรียกว่าขันท่าเนี่ย เห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนคืออยู่ด้วยกันทั้งหมดใช่ไหมคะในความไม่เที่ยงในความไม่เป็นตัวตนเนะี่ยใช่ใช่นี่คือปัญญาที่จะเกิดขึ้นค่ะคือทีนี้ถ้าอืมคือคตอนนี้เราเหมือนถูกหลอกอยู่นะอย่างอย่างทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างตที่เรามีเนี่ยอะไรทีว่ามันดีก็คือเหมือนคนตาบอดที่คิดว่าผ้าเนื้อเลวเปื้อนเขม่าเนี่ยเพราะด้วยตัวเองที่มองไม่เห็นจริงเนี่ยเลยคิดว่ามันขาวสะอาดงดงามค่ะอืม แต่อย่างบางคนเนี่ยนะคะก็ได้ยินว่าเหมือนคิดได้นะคะมแม้แต่กระทั่งเราเราก็ยังคิดว่ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้นะเนี่ยอืความคิดอย่างนี้นถือว่าเป็นความคิดที่เที่อวิชชาเบาบ า, บางาแล้วไม่คะาท่านคะเออเป็ น, เ ป, นเป็นสัมมาทิฏฐิประเภทหนึ่งนะเป็นสัมมาทิฏฐิประเภทหนึ่งเพราะว่าเราเรามีความเชื่อมีจิตน้อมไปในลักษณะว่าเออมันก็ไม่ค่อยเตี้ยงนะแต่ว่ายังละไม่ได้นี่คือประเด็นนะคือเรายังละความยึดถือไม่ได้ ค่ะเราเห็นถูกอยู่แต่ว่ามันยังละไม่ได้นะพอใครมาขอปุ๊บ ก, ก็ก็ยังไม่ให้ได้อ่าไม่ได้นะอด อ, อ, อย่างงี้ค่ะคือคือจิตของคนที่เป็นแบบนี้จะเป็นยังไงนะอยังน้อยก็ยังสร้างกุศลอย่างน้อยก็ยังกลัวบาปย่งน้อยก็เวลาที่จะทําอะไรที่มันผิดศีลก็ยังรู้สึกเกรงเกรงใจบ้างนี่จะเป็นอย่างงี้จิตจะน้อมไปในทางกุศลธรรมบ้างอันนี้ก็ยังดีก็จัดได้ว่าเป็นผู้ที่เห็นความไม่เที่ยงเหมือนกันแต่เห็นนิดเดียว ยังไม่ได้เห็นทะลุทั้งสายถ้าถ้ามาอาจจะเปรียบเทียอย่างนี้เหมือนกับตาบอดแต่ว่าไม่ได้บอดร้อยเปอร์ซนตบอดแบบบอดสีหรือว่าบอดมัวมัอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นบ้างแต่ไม่ชัดอย่างเงี้ยค่ะคงสงสัยว่าจะต้องให้รู้ด้วยว่าถ้ามันไม่ดียังไงใช่ไหมคะมสิ่งที่ท่านบอกว่าความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเรายังไปเห็น ยังไม่เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงยังเห็นเป็นตัวเป็นตนอยู่ก็แล้วเห็นเป็นตัวเป็นตนหรือว่ายังไม่เห็นความไม่เที่ยงอ่ะมาจะยกตัวอ ย, าอย่างอ่าใช่ใช่ยกตัวอย่างเช่นพยับแดดพยับแดดอันนี้เป็นหนูว่าทาไมที่ผู้เช่ายกนะพยับแดดเนี่ยคือคือเวลาเราขับรถไปตามถนนไกลๆต่างต่างจังหวัดอย่างเงี้ยถนนยังมาตอยใ น, นตอนกลางวันเราจะเห็นเหมือนกับน้ําอยู่บนผิวพื้นถนนอันนี้คือมองไกลๆมันจะเป็นอย่างนั้น แต่พอไปถึงจุดที่เราเล็งว่าจะเป็นตำแหน่งนั้นเนี่ยมันกลับไม่มีอะไระอันนี้เปรียบเทียบกับเรื่องของสัญญาคือความหมายรู้เรื่องราวบนรนกลางบางอย่างเนี่ยแผนการธุรกิจเราคิดเรื่องนั้นนี่มาโอ้โหมันต้องดีแน่นอ น, นหรือว่าบางทีเราคิดว่าเราทํางานที่นี่นได้งานที่นี่เรียนจบแล้วได้งานมันน่าจะดีแต่พอไปถึงจุดนั้นเอ้มมันก็ยังเหมือนเดิมแม่มันไม่มีอะไรดีขึ้นนะก็ยังมีความทุกข์เหมือนเดิมเงี้ยหรือบางคนคิดว่าต้องแต่งงาน แต่ ง, งานเป็นเรื่องดีแต่งงานไปเฮ้แต่ ง, งานแล้วก็ยังเหมือนเดิมไงแล้วก็ยังมีความทุกข์เหมือนเดิมอย่างเงี้ยนี่เป็นลักษณะของของการที่เราถูกหลอกอยู่ะเห็นมันเหมือนมีตัวตนอะไรแต่จริงๆไปแล้วมันไม่มีค่ะก็เลยจึงต้องมาทําความเข้าใจใชว่าทั้งหลายทั้งปวงที่เราเคยคิดว่าเป็นความสุขแล้วก็บางอย่างเราก็ได้เห็นแล้วว่าเมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์เปลี่ยนไปไอ้ที่เราคิดว่าสุขมันก็ไม่สุขซะแล้วอืม เราควรทําอย่างไรคะนี่แหละคือถ้าผมว่าเราจะเอาไอ้พวกนี้มายึดถือมาเป็นที่พึ่งมาใช้ในการที่คิดว่าชีวิตฉันจะดีขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเราจะทุกเองนะเราจะใช้งานสิ่งนั้นไม่ได้พระเจ้าก็จึงให้ข้ออให้วิธีการเอาไว้นั่นก็คือเรื่องของอริยามรรคมีองค์แปดนคือศีลสมาธิปัญญานี่แหละในการที่จะเป็นเส้นทางข้เรื่องมือให้แทนที่เราจะไปยึดจับเจ้าขันต่างห้านี้ นะเพราะมันจะแตกสลายมันจะเปลี่ยนแปลงไปมันจะเป็นของที่ไม่ดีนะเอาของดีๆ ด, ดีกว่านั่นะคือศีลสมาธิปัญญานะถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญามันจะเป็นคเครื่องที่ให้เราเพึ่งได้ให้เราเกาะได้ในการที่จะดําเนินไปชีวิตไปข้างหน้านะนใช่ไหพ่อค่ก็คือว่ามีวิธีให้แล้วอยู่ที่จะทําหรือไม่เท่านั้นเองใช่พระพุทโธงก็ได้สอนไว้แล้วสรุปให้เข้าใจง่ายๆว่ามี3มอย่าง คือสีสมาธิปัญญาอหญใหญ่ใช่จะเริ่มต้นตรงไหนเดียร์ท่านครับก็เริ่มที่สีนี่เลยนะสีคือความเป็นปกติในชีวิตประจําวันที่เราจะทําทําชีวิตของเราให้เป็นปกติแต่ความเป็นปกติในที่นี้ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เลือกปิบัตในการไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มชุกายไม่ไรนี่ยนี่คือความเป็นปกติของมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนี้กันเริ่มที่ตรงนี้ได้แล้วจริงๆเราก็เริ่มมาแล้วตั้งแต่ฟังรายการคือเรามีการปฏิบัติธรรม นนคเรื่องของสมาธิและปัญญาที่เราเจริญอยู่ด้วยค่ะทำไปเรื่อยเื่อยใช่ทำไปเรื่อย<ะ>เรยืตรงนี้เหมือนกับอะไรค่ะก็คือเหมือนกับหมอหมอที่เขาเอายามาหยอดให้เรานะเขาก็ต้องเอายาถ่ายโทษในเบื้องบนยาถ่ายโทษในเบื้องต่ํานะยาหยอดให้กัดยาหยอดประเภทต่างๆนะเพื่อให้ตามันดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีหมอที่เชี่ยวชาญในการรักษานั่นคือประพุทธเจา ไนยาที่เอามารักษานั่นคืออริยามรรคมีอง8ปดศีลนะ ส, สมาธิปัญญาที่ย่อใจย่อใจเนี่ยคุณรับยามาแล้วเนี่ยแล้วคุณหยอดด้วยยอดไปยอดไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะเริ่มเห็นแสงบ้างอะไรบ้างเริ่มเห็นสีบ้างอะไรบ้างแล้วก็เริ่มเห็นของที่เป็นชัดเจนขึ้นอย่างนี้เป็นลําดับลําดับไปอ๋อเริ่มเริ่มเห็นชัดก็เริ่มมองเห็นว่าที่เราคิดว่าดีนะ่ะ ไม่ดีนี่นาอ่ามันเป็นภาพเปื้อนขมเหล่า น, นั้นนะค่ะอืถ้าเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปเรื่อยเรื่อยเราก็จะเริ่มเห็นของที่เราคิดว่าเป็นคุณนั้นแต่มีโทษใช่ได้เห็นความเป็นโทษใช่อันนี้คือคนที่มีตาดีตาเปิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นยาที่ที่หยอดที่ใช้คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอมันก็ต้องมีมีการใช้อย่างเป็นประจำนะ คือเขาต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยานี่เขาก็จะมีขนานของเขาถูกไหมต้องคุณต้องใช้ตอนเช้ากินหลังอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่ ง, ซ, งซึ่งอะไรมั้งมีองแเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนกับยาสํารอกนะยาสํารอกไอเครื่องของที่ไม่ดีพิษอะไรต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยสำรอกออกมาสํารอกออกมาเนี่ยคือเราต้องใช้ในทุกๆด้านของชีวิตของเราใช้ทุกๆด้านของชีวิตของเราอันนี้ถ้าศัพท์ที่เขาจะพูดกันก็คือว่าธรรมมั้งเนี่ย ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคือมาร์คสมบังิคีนั่นแหละนะคือ ค, คือทุกด้านของชีวิตของเราเลยทําให้มันเกิดตรงนี้ขึ้นได้หมายถึงว่าจะต้องเดินตามมารคตลอดเวลาใช่ใช่อย่างนั้นนะคะอ่าไม่ใช่เฉพาะตอนที่คุณมาวัดหรือเฉพา ะ, ะวันพระอา้าวแล้ววันธรรมดาเราทําอะไรนะก็ะต้องเดินมารคด้วยน ะ, ะอ่าไม่ใช่เฉพาะที่วัดและที่บ้านละ่ะที่บ้านทำแล้วที่ทํางานละ่ะระหว่างถนนละ่ะเขาต้องทําด้วยนะ จะมัเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราไปเลยเป็นวิถีนนชีวิตไปเลยอันนี้คือมัคคะสมงังคีถูกต้องถูกต้องเดี๋ยวฉันกำลังคิดแบบคนเรียนภาษาไทยนะคะอว่าน่าจะมีสองคำประกอบกันคือคำว่ามัคคือวิธี ท, ที่จะพ้นทุกข์ผลถากแห่งการดับทุกข์บวกกับคำว่าสา ม, มัครคีย์อ๋อยังนึกว่าเอามัคทั้งแปดเนี่ยมาสามัคคีรวมกันอย่าทอดทิ้งมัคใดมัคหนึ่ง ในความหมายนี้ใช่ด้วยไหมใช่ด้วยใช่ด้วยนี่คืออีกนัยยะหนึ่งค่ะเพราะว่าเวลาที่จิตของเราพระชาอธิบายไว้ยังงี้บอกว่าจิตเนี่ยที่เป็นหนึ่งเนี่ยแวดล้อมด้วยอริยมรรคเจ็ดอย่างอย่างแรกเนี่ยตั้งแต่สมาทิฐิจนถึงสมาสติเนี่ยอันตรงเนี้ยคือสมาสมาธิเพราะฉะนั้นมันล้อมกันอยู่ตรงนี้อันเดียวจิตดวงเดียวนี้ซึ่งซึ่งในยะที่2อย่างที่พูดเมื่อสักครู่คือจิตดวงเดียวนี่แหละไปทําอะไรบ้างก็อยู่ที่ทํางานก็จิตดวงนี้อยู่ที่บ้านกับจิตดวงนี้ มันก็จิตดวงเดียวกันเนี่ยแหละมันก็ต้องทำหมดตลอดเวลาค่ะในแงที่สองก็คือว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรกันแล้วแต่ขอให้คำนึงถึงว่าอย่าให้เป็นมิจฉามัจไม่ให้เป็นมิจฉาต่างๆนะคะคือมิจฉาทิฐิมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจาแต่ให้เป็นสัมมาเข้าไว้ในทุกๆอย่างเลยบ<ม>างคนอาจจะบอกว่าในชีวิตของเราเนี่ยก็ ถ้าใช้ชีวิตอย่างที่ท่านว่าตามปกติในชีวิตประจําวันในชีวิตในหน้าที่การงานเนี่ยอืมบางอย่างมันไม่เกี่ยวกับมร์นะมีไม่เกี่ยวกับมร์ไหมคะท่านะเออจริงๆแล้วมันไปด้วยกันได้ไงเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจว่าอย่างเช่นว่าเราประชุมในที่ทํางานะนะเวลาประชุมในที่ทํางานไอ้ถ้าคุณไม่ได้ด่าใครเอานั้นสมาธิแล้วนะไอ้สมาวาจาแล้วนะเริ่มจากตรงนี้เลยหรือว่าพอมีเรื่องที่แบบให้ต้องเถียงกันอย่างเงี้ย มันจะมันจะเริ่มออกลวดลามต้องขึ้นมอก อ, อะไรเงี้ยพูดไม่ดีเงี้ยเราก็หยุดซะเพราะเราหยุดปุ๊บตรงนี้คือคุณมียคุณมีสตินะคุณถึงหยุดได้สัมมาสติเกิดทันทีแล<อ>้วคุณไม่ได้โผลอะไรมิจฉาวาจาไปอ้าวาสัมมาวาชาก็เกิดทันทีค่ะสตินิ้เบรกไว้แล้วแล้วเราเร า, เรารู้ว่าอไอ้ น, นี้ไม่ดีเราไม่ควรทํานี่วะเราไม่ทำํำเพราะเรารู้ว่ามันไม่ดีไอความรู้ตรงเนี้คือสัมมาทิฐิด้วย อย่างเงี้ยค่ะเออมันมันหลายอย่างอยู่ในนี้ด้วยนายไห น, นะะได้สามสี่ตัวแล้วเนี่อืมอืมเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเนี่ยที่เรายับยั้งชั่งใจไม่ทําในสิ่งที่ไม่ดีได้เนี่ยสัมมาสติเกิดขึ้นแล้วใช่แล้วเราทําอะไรเราไม่ไปฆ่าใครอันนี้ถือว่าเป็นสมมารกรรมันตะถูกต้องนะคะอืมไม่รักทรัพย์ก็เป็นสมารกรรมันตะต์ไนหะคะถูกต้องไม่ไม่รักทรัพย์เป็นสมารกรมมันต์ต์นะคะอ่า หรือแม้แต่บางทีเราแบบไปเยี่ยมเยียน ญ, ญ, ญาติผู้ใหญ่เอาซื้อข้าวของไปฝากให้าการแบ่งปันนี่ก็เป็นเรื่องของฐานนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาธิติอันนี้ก็ดีมีคําพูดจะพูดปรารถนาดีการมีใจไม่คิดร้ายต่อกันเอาก็เป็นสัมมาสังกปนะเป็นสัมมาวาจาด้วยอยู่ในนี้หมดมันมันอยู่ในชีวิตประจำวันแน่นอนก็เท่ากับว่าไม่ต้องไปกลัวนะว่ามรมีองค์8ดที่แยกกันมาเป็นสัมมาโนนสัมมานี่เป็นเรื่อง ยากสูงส่งแต่จริงๆแล้วเป็นความสูงส่งที่อยู่ในในเราใชะะ่ทีนี้ศัพท์เนี่ยบางทีมันก็ฟังดูสูงส่งอะนะแต่แต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยมันทําได้นะเราทําได้แน่นอนเนี่ยคู่สามีพัญญาพระบูกันบ่อยนะคะคนนั้น <laughs> พูดอย่างนี้มาคนนี้ฉะกลับไปฉันต้องพูดให้เจ็บแสบกว่าเธอ <laughs> ฟังแบบนี้แล้วนี่ถ้ายับยั้งชั่งใจไม่พูดอย่างนั้นได้ ได้สัมมาไปเลยนะคะสติบวกวาจาทําบ่อยๆได้สัมมาวายามะได<ช>้ความเพียรเข้าไปด้วยใช่แล้วก็ได้สัมมาทิฏฐิด้วยค่ะถูกต้องตงัวนี้คือยาที่หยอดไปที่ระยดีระยดร<ต>ะยดนะทำให้ความสัมผัสของคุณก็จะดีขึ้นนะเห็นแจ้งแทงตลอดแจมแจ้งว่าอะไรเป็นยังไงน ะ, ะรปฏิบัติไปจนสุดแล้วเราก็จะรู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จอย่างไรนี่แหละค่ะระยุคนี้นะคะเรื่องสัมมาวาจานี่ก็สําคัญมากเหลือเกิน ถ้าเราเผลิดเพลไปตามคนอื่นเขาคลิก like, ไลค์แชร์ไปนน่นแชร์ไปนี่ในสิ่งที่เป็นมิจฉาวาจานะคะพูดโกหกสอเสียดพูดให้คนก็แตกกันคำหยาบเพื่อเจอพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่มีเหตุผล เขาเรียกว่าพวกมโนเยอะภาษาภาษาปัจจุบันไม่ทราบพระท่านอาจารย์ทราบหรือเปล่าคะมโนใช่หมคืออย่ามโนใช่ไหมอย่ามโนนะค่ะอันนี้เด็กๆก็จะพูดกันเยอะก็ขออนุญาตที่จะใช้ถ้อยคําให้ทันสมัยหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าธรรมะของพระพุทธองค์ต้องคนที่อยู่ในวัยปลายๆแล้วเท่านั้นค่ะเออแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งในในที่นี้นะพื้ตอนแรกเราฟังเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะงงง คืออย่างเช่นที่พิจาว่าเช่นนี้เช่นนี้เป็นความไม่มีโรคเช่นนี้เป็นนิพพานเนี่ยเราอาจจะงงเราอาจจะไม่รู้หรอกแต่ไม่หมายเขาเมื่อไงทำไมพูดยากจังอย่างที่ว่าเนี่ยนะแต่ถ้าเราค่อยๆทําไปค่อยๆทําไปเนี่ยอาศัยความเชื่ออาศัยที่เรามีจิตน้อมไปเนี่ยเราจะค่อยแจ่มแจ้งขึ้นมาถึงจะรู้ว่าอ๋อมันมันเป็นอย่างนี้เราจะมีความแจ่มแจ้งขึ้นมาตรงนี้ค่ะซึ่งที่ฉันคิดว่าศราัทธาเลยสำคัญสุดนะคะใช่คือต้องเชื่อก่อนว่า พระศาสดาของเราเนี่ยต้องขออภัยนะคะเจ๋งจริงๆไม่เช่นนั้นแล้วธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยคงไม่อยู่ยั่งยืนอยมมาถึงขนาดนี้ใ ช, ใช่ไหมคะแล้วเราก็ถ้าศรัทธาก่อนเราจะได้กล้าี่เอาลองมาทำซิที่สอนเนี่ยแล้วเราก็จะมีโอกาสได้ประโยชน์ถ้าปฏิเสธไปเลยก็ไม่มีโอกาสเลยใช่เบั้นศสัทธาคือความมั่นใจในการตรัสรู้ของพรนะเจ้าซึ่งเปรียบเสมือนกับ เสาระเนียตเสาเกินเสาหลักที่เราจะใช้ในการที่จะทํากิจกรรมแรไรต่างได้ค่ะที่ถ้ารู้ว่าศรัทธาแล้วก็มั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าพูด ส, สั้นๆก่อนจะลาะรายการเนี้ยเยี่ยบานสามารถมั่นใจศรัทธาได้จากอะไรคะจากการที่สิ่งที่พระเจ้าได้ปฏิบัติมาแต่พระเจ้าบอกว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้เราจึงตรัสรู้และสิ่งที่พระองค์ทํามาเนี่ยโอ้โหมันมากมายมหาศาล ่ทำความดีตรงนั้นตรงนี้เพื่อที่จะตรัสรู้เป็นสมาสัมพุทธชา่าแต่เราข้อมูลที่ได้สั่งสอนเอาไว้นี่ก็เป็นเครื่องยืนยันถึงสิ่งที่ได้ทํามาแล้วเราฟังคําสอนด้วยดีๆเนี่ยเราจะพบว่าเออมันมีความหลักแหลมลึกซึ้งกับภบีรภาพแต่ทาให้มีความมั่นใจในว่าการตรัสรู้นี้ต้องจริงแน่นอนนะคะแล้วก็ลองเอาไปปฏิบัติกันอย่างเช่นรายการนี้นําปฏิบัติสมาธิตั้งแต่ตอนต้นของรายการถ้าท่านลองเอาจิตของท่านไปรู้อยู่ เพรื่นพยายามันเนี่ยท่า น, นจะได้พบนะคะว่าอันนี้ในเบื้องต้นก่อนนะคะได้พบว่าเมื่อจิตไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งต่อเนื่องกันแล้วมันเกิดความสนุกแน่นอนใช่ไวันนี้ก็พอควรแก่เวลาแล้วค่ะท่านะาต้องกราบน้อมสักการขอบพระคุณท่านเพรื่นเป็นอย่างยิ่งค่ะน้อมสักการค่ะเชิญบานท่านฟังครับพระมหาเพรู่นอภิปุณโณ น, น, นะคะที่เพิ่งสนทนากับดิฉันให้ท่านได้ประโยชน์จากคําสอนของพระาศาสดาของเรา พุทธเจนะหรือพุทธพจน์นั้นไปเนี่ยนะคะในวันนี้ก็สรุปได้ว่าเราอย่าเป็นเช่นคนตาบอดนะเราจะเกิดปัญญาได้เมื่อเราปฏิบัติในสิ่งที่เรียกว่าอริยมรตมีองค์8ซึ่งพระพุทธองค์นั้นได้ตรัสสอนเป็นวิธีที่จะใช้แล้วทำให้พ้นจากความทุกข์ได้และอย่าทำเป็นแบบว่าไปวัดแล้วก็อยู่แต่ทำให้เป็นมรคสมังคี คือ2นัยยะด้วยกันนัยยะแรกคือทั้ง8มรรคไม่ต้องทำร่วมกันนัยยะที่2ก็คือว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องดำเนินชีวิตตามวิธีแห่งการดับทุกข์ของพระพุทธองค์นั้นคืออรอยิยมรรคมีองค์8ค่ะเราก็คงจะส่งท้ายกันให้ท่านทำกันบ้านนะคะในวันเสาร์อาทิตย์แลทุกๆวันตลอดเวลาแล้วมาพบกับรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้า ตีห้าครึ่งโดยการสัสนีสนานาหรือฉั้นสัสนีษฐานาพงนะคะสำหรับวันนี้พุทธวสวัสดีค่ะ